พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ว่าผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสทั้งหลายจงทำตัวให้เหมือนกับนักรบโบราณสมัยก่อนต้องทำกาแพงล้อมเมืองให้แน่นหนามีค่ายคูประตูหอรบเสร็จเพื่อป้องกันข้าศึกอันจะมาราวีนักรบที่ฉลาดเมื่อออกรบกับข้าศึกเห็นว่าจะสู้ข้าศึกไม่ได้แล้วก็ลาทัพกลับสู่พระนคร แล้วรักษาพระนครไว้ไม่ให้่าศึกเข้ามาทำลายได้พร้อมกันนั้นก็สะสมรีพลอาวุธและอาหารให้พร้อมเพรียงเปรียบคือทำสมาธิให้มั่นคงกล้าหารแล้วจึงออกรบ่าศึกอีกต่อไปคือมวลกิเลสทั้งปวงสมาธิเป็นกำลังสำคัญมากถ้าไม่มีสมาธิแล้ว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 เหมือนกับน้ำในสระที่ขุนมาเป็นร้อยร้อยปีเพึ่งมาใสสะอาดมองเห็นสิ่งสรรพัดที่มีอยู่ก้นสระว่าแต่ก่อนแต่ไรเราไม่นึกไม่คิดเลยว่าในก้นสระมันจะมีของเหล่านี้นั่นเรียกว่าวิปัสนาคือความรู้ความเห็นตามสภาพจริงมันเป็นจริงอย่างไรก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้น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 ผู้ต้องการขุดรากเงาของกิเลสในตัวเมื่อกิเลสมันเกิดจากอายตนะทั้งหกในตัวของตนเช่นตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงเป็นตน้นเกิดผัสสะขึ้นให้ยินดีหรือยินร้ายดีใจและเสียใจเป็นตน้นแล้วเข้าไปยึดเอามาเป็นอารมณ์ของตนขุนมัวอยู่ในใจจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนดิ้นรนอินไม่ได้นอนไม่หลับ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 มันดับไปตามสภาพของมันตังหากเมื่อพิจารณาตามตาผู้ไปเห็นรูปเล่าตาผู้ส่งสายไปเห็นรูปพอกระทบเท่านั้นแสงสะท้อนกลับเข้ามาหาจักสุปราศาทเข้าก็เป็นรูปต่างๆน า, นาเกิดขึ้นตาก็ไม่ได้ชักชวนให้ไปยินดียินร้ายหรือให้รักให้ชังอะไร ตามีหน้าที่ให้เห็นเป็นรูปแล้วก็ดับไปสิ่งที่เป็นอิทธารมน่าพอใจและอนิจธาอารมไม่น่าพอใจหรืออายตนะอื่นๆก็ให้พิจารณาอย่างเดียวกันนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วจะเห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มันจะเกิดกิเลสขึ้นก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้เป็นต้นเหตุทั้งนั้น ถ้าเราพิจารณาและไม่หลงตามอายตนะทั้งหกนี้อิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราตรงกันข้ามมันจะเกิดปัญญาก็เพราะมีอายตนะทั้งหกนี้อายตนะทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นสื่อกลางของความดีและความชั่วจะไปสุขคติและทุตติ ก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้เป็นต้นเหตุโลกนี้จะกว้างก็เพราะจิตไม่มีสมาธิลอยตามอารมณ์ของอายตนะทั้งนั้นโลกนี้จะแคบก็เพราะจิตนี้ได้ฝึกหัดสมาธิให้อยู่ในบังคับของตนพิจารณาอารมณ์ของอายตนะทั้งหแต่ภายใน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 อายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและธรรมอารมณ์เมื่อทำสมาธิให้แน่วแน่เต็มที่แล้วพิจารณาเห็นโลกจิตนี้มันเป็นเหตุทำให้เกิดอายตนะัสสะสัญญาและอารมณ์และตลอดสัพพากิเลธทั้งปวงแล้วจิตก็จะถอนจากสิ่งทั้งหมดจะยังเหลือแต่ใจคือผู้รู้อย่างเดียว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 ฉนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ฝึกหัดสมาธิอันเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะเมื่อฝึกหัดทำสมาธิเข้าแล้วหากมีอายตนะพัสสะจะรู้สึกอยู่แต่ภายในคือจิตผู้เดียวผู้เห็นผู้ฟังจะไม่เกี่ยวด้วยตาและหูอายตนะพัสสะจะรู้ด้วยจิตอย่างเดียวได้ชื่อว่า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 ด้วยประการอย่างนี้